พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส3สาสุตตันตปิฎกกุฏกานิกายจริยาปิฎกคำภีว่าด้วยพระพุทธจริยาจริยาปิฎกหรือคำภีว่าด้วยพระพุทธจริยานี้นับเป็นเรื่องใหญ่หัวข้อสุดท้ายในเล่มที่ส3สาซึ่งเริ่มด้วยเรื่องอัปทานกับเรื่องพุทธวงมาแล้วโดวยลาดับจริยา หรือความประพฤติในอดีตของพระพุทธเจ้าที่นำมากล่าวไว้ในจริยาปิฎกมี35หเรื่องโดยแยกแสดงว่าเป็นการบำเพ็ญทานบารมีสิบเรื่องเป็นการบำเพ็ญศิลบารมีสิบเรื่องเป็นการบำเพญ็ญเนคขมะบารมีคือการออกบวชหเรื่องสัจจะบารมีหกเรื่องเมตตาบารมีสองเรื่องอุเบกขาบารมีหนึ่งเรื่อง รวมเป็น15้าเรื่องกับตอนสุดท้ายมีสมุทานากถาคือคำสรุปว่าเรื่องไหนเป็นบารมีอะไรในบารมีสิบประการมีข้อที่ควรพิจารณาในเบื้องแรกคือชนไหนจริยาปิดกจึงแบ่งบารมีไว้เพียงหแต่ในสมุทานกถากาล่าวว่าบารมีมีส0สิบและในสำนวนกวี ที่เล่าไว้ในจริยา35เรื่องนั้นแสดงเป็นสำนวนของพระผู้มีพระภาคว่าเราเป็นผู้นั้นผู้นี้ในชาตินั้นชาตินี้ตามความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าหมายถึงผู้จัดทาผู้แปลหนังสือเล่มนี้สันนิษฐานว่ามีผู้แต่งเป็นบทกวีขึ้นในชั้นหลัง ที่มีการสังคยาพระธรรมวินัยแล้วโดยรวบรวมเรื่องราวมาจัดระเบียบขึ้นให้ค้นง่ายหาง่ายทั้งๆ ท, ที่ปรากฏว่ามีคำกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเฉพาะที่ปรากฏในชาดกนับจำนวนหลายร้อยแต่กลับนำมาแสดงในจริยาปิดกเพียง35เรื่องเพียงหกบารมีไม่ครบสิบบารมี ในสโมโอธานากถาหรือคาสรุปแสดงบารมีสิบแจกเป็นสาสิบคือบารมีหรือคุณธรรมที่ให้ถึงฝั่งแห่งความสาเร็จอย่างธรรมดาหนึ่งสูงขึ้นมากกว่านั้นเรียกอุปบารมีหนึ่งสูงสุดเรียกปรมัถบารมีหนึ่งบารมีสามขั้นนี้เป็นไปในคุณธรรมสิบข้อจึงเป็นบารมีสาสิบคุณธรรมสิบข้อ คือ 1. ทานการให้ 2. ศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย 3. เนคข ม, มะการออกบวชหรือออกจากกรรม 4. ปัญญา 5. วิริยะความเพียร 6. ขันติความอดทน 7. สัจจะความจริงใจ 8. อาอธิษฐานความตั้งใจมั่น 9. า เมตตาหมาตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุข 10. อุเบคาวางใจเป็นกลางในสมุทนานกาถาได้แสดงไว้ด้วยว่าเรื่องอะไรบ้างเป็นบารมีเฉยๆเป็นอุปบารมีและเป็นปรมัตบารมีแต่ก็แสดงไว้พอเป็นตัวอย่างไม่ถึงร้อยเรื่องตอนนี้ไปจะกล่าวตามลำดับจริยา ตามที่ปรากฏในบาลีเป็นลำดับต่อไปหมายเหตุในอัรธกถาชาดกเล่มที่เจ็ดหน้าส3สามกล่าวว่าจริยาปิดกนี้พระผู้มีพระภาคตรัสแสดงแก่พระสาวรีบุตรปัญหาจึงมีอยู่เพียงว่าตรัสแสดงอย่างพูดกันธรรมดาหรือแสดงเป็นบทกวีอย่างที่ปรากฏอยู่ในจริยาปิดกนั้นข้าพเจ้าเห็นว่า ตรัสแสดงด้วยคำพูดธรรมดาแต่มารวบรวมเป็นบทกวีขึ้นภายหลังเพราะถ้าจะกล่าวไปแล้วที่เป็นพระไตรปิฎกขึ้นได้ก็เพราะการรวบรวมขึ้นจากที่จำได้ท่องได้ทั้งสิน้นข้อสำคัญนั้นไม่ใช่อยู่ที่สำนวนแบบนั้นแบบนี้แต่อยู่ที่ธรรมะหรือตัวอย่างแห่งคุณความดีหัวข้อที่หนึ่ง ทานบารมีมีสิบเรื่องได้แก่หนึ่งอกิติจริยาความประพฤติหรือประวัติครั้งเป็นอกิติดาบทในสมัยที่เราหมายถึงพระผู้มีพระภาคเป็นอกิติดาบทอยู่ในป่าใหญ่เท้าสัต ก, กะปลอมตัวเป็นพรามมาขอภิกษายืนอยู่ที่ประตูจึงให้ใบไม้ที่นำมาจากปา่า อันไม่มีน้ำมันไม่มีรสเค็มเกลี่ยลงในภาชนะของเท้าสักกะดด้วยภาชนะของตนครั้นให้ใบไม้ที่ใช้เป็นอาหารแล้วก็คว่มภาชนะไม่สแสวงหาใบาไม้มาใช้เป็นอาหารสำหรับตนอีกเข้าสู่บารรณศาลาแม้ในวันที่สองวันที่สามเมื่อเราสแสวงหาอาหารคือใบไม้มาได้แล้วเท้าสักวกะก็มาขออีก เราก็ให้ไปเช่นเดิมโดยไม่วันไหวไม่ติดข้องแล้วก็ไม่หามาบริโภคเองอีกด้วยความเปลี่ยนแปลงในสรีระของเราเพราะเหตุนั้นไม่มีเราได้ยังวันและคืนนั้นให้ล่วงไปด้วยปีติและสุขในฌานถ้าเราจะพึงได้ผู้ควรแก่ทักซินาแม้เดือนหนึ่งหรือสองเดือนเราก็จะให้ทานอันอุ ด, ดม โดยไม่หวั่นไหวไม่ติดข้องเมื่อเราให้ทานแก่พรามนั้นไม่ได้ปรารถนายศละลาบหากปรารถนาพระสัพพัญยุตยานหมายถึงยานอย่างรู้สิ่งทั้งปวงคือการได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญประโยชน์แก่สัตว์โลกได้เต็มที่สงสังขพรมณะาจาริยา ประวัติครั้งเป็นสังขพราหมณ์ในการเมื่อเราหมายถึงพระผู้มีพระภาคเป็นพรหมชื่อสังคะใครจะข้ามสมุทรจึงไปที่ท่าน้ำณที่นั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จเดินทางกันดาลมาบนพื้นดินอันแข็งและร้อนสวนทางมาจึงคิดว่าบัดนี้นาของผู้ต้องการบุญมาถึงที่นี่แล้ว จึงถอดรองเท้าถวายร่มและรองเท้าเพราะเหตุนั้นเราจึงเป็นผู้สุขคุมานหมายถึงละเอียดอ่อนโดยคุณตั้งร้อยได้รับความสุขเราได้บำเพ็ญทานถวายทานแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยประการอย่างนี้ 3. กุรุธรรมจริยาประวัติเนื่องด้วยธรรมะของชาวกุรุ ในสมัยเมื่อเราคือพระผู้มีพระภาคเป็นพระเจ้าทนันชัยประกอบด้วยกุศลสิบประการคือทศพิษราชธรรมในกรุงอินทปัตตมีพราหม์ชาวกาลิงคารัตมาขอพญาช้างอันควรสงวนนับถือกันว่าเป็นมงคลอ้างว่าชนบทของตนฝนไม่ตกทำให้เกิดทุพพิกขาภายัยและชาตกาภายัยซึ่งแปลว่า ภัยคือข้าวยากและอดอยากหิวโหยเกิดภัยทั้งสองอันยิ่งใหญ่จึงใคร่ขอช้างตัวประเสริฐมีสีเขียวมีนามว่าอัญชันก็ได้พระราชทานช้างไปเมื่อชาวเมืองคัดค้านจึงตรัสตอบว่าเรายอมให้แม้ราชสมบัติแม้ร่างกายของเราทั้งสิน้นพระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเราจึงให้ช้างเพราะเหตุนั้น สำหรับช้างนั้นในอัตถกถาชาดกกล่าวว่าชื่อว่าอัญชนะสันนิพะบ้างอัญชนะวสภะบ้างเมื่อพรามได้ช้างไปแล้วฝนก็ยังไม่ตกจึงได้นำช้างมาคืนขอจารึกกุรุธรรมะลงในแผ่นทองเพื่อไปประพฤติปฏิบัติกุรุธรรมะที่จารึกไปคือศีลห้าเมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติแล้ว ฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลตามเดิม 4. มหาสุทัศน์จริยาประวัติครั้งเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะในสมัยเมื่อเราเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะจั ก, กรพรรดิในกรุงกุสาวดีได้ประกาศให้ทานทุกอย่างที่มีผู้ต้องการวันและสามเวลาไม่มีอาลัยไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างอื่น นอกจากเพื่อบรุพระโัธทียาน 5. มหาโควินทะจริยาประวัติครั้งเป็นมหาโควินทะพราหมณ์ในสมัยเมื่อเราเป็นมหาโควินทะพราหมณ์เป็นปุโรหิตของพระราชาเจ็ดพระองค์ได้ถวายมหาทานไม่ใช่เกลียดทรัพย์และเข้าเปลือกไม่ใช่สะสมทรัพย์ไม่เป็นแต่พระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเรา เพราะเหตุนั้นเราจึงให้ทรัพย์อันประเสริฐ 6. เนมิราช จ, จริยาประวัติครั้งเป็นพระเจ้าเนมิในสมัยเมื่อเราเป็นมหาราชนามว่าเนมิในกรุงมิถิลาได้ให้สร้างศาลาสี่หลังมีสี่หน้าได้ให้ทานทั้งแก่คนและสัตว์ทำสัตว์ทั้งหลายให้เ อ, อิบอิ่มด้วยทาน เราะเราปรารถนาพระพธิทยานอันอุดม 7. จันทกุมารจาริยาประวัติครั้งเป็นจันทกุมานในสมัยเมื่อเราเป็นจันทกุมาน ร, ราชโอรสของพระเจ้าเอกราชในกรุงปุพภวดีได้พ้นจากการถูกบูชายันรู้สึกสลดใจจึงจัดให้มีมหาทานได้ให้ทานตลอดห6ถึงวัน อย่างไม่เป็นอันดื่มไม่เป็นอันกินเราไม่ถอยจากการให้ทานเพื่อบรุพระโพธิญาณ 8. ปดสิวีราชจาริยาประวัติครั้งเป็นพระเจ้าสีพีในสมัยเมื่อเราเป็นกษัตริย์นามว่าสิวิหรือสำเนียงไทยนิยมเรียกสีพีครั้งเป็นกษัตริย์นามว่าสิวิในกรุงอริ t h ะ วันหนึ่งดมริว่าทานที่เป็นของมนุษย์ใดๆที่เราไม่เคยให้ไม่มีแม้ผู้ใดจะขอดวงตาเราก็จะให้โดยไม่หวั่นไหวเท้าสักกักทราบความดมริของเราจึงปลอมตัวเป็นพราม์แก่ตาบอดมาขอตาข้างหนึ่งแต่เรากลับให้สองข้างซึ่งในที่สุดด้วยสัจจะกิริยาก็หายเป็นปกติเห็นได้ตามเดิม ดวงตาทั้งสองและตนเองไม่ได้เป็นที่เกลียดชังของเราแต่พระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงให้ดวงตา 9. เวสันตระจริยาประวัติครั้งเป็นพระเวสสันดรในสมัยเมื่อเราเป็นเวสสันดรราชโอรสของพระเจ้าสัญชัย และพระนางพุทสดีได้ให้ช้างชื่อปัดใจนาคเป็นเหตุให้ชาวสีผีโกรธขับไล่เราจึงบำเพ็ญมหาทานก่อนจากไปอยู่ปา่าเมื่อไปอยู่ในป่าแล้วก็มีผู้ต้องการไปขอชาลีกันหาผู้เป็นบุตรน้อยของเราเราก็ให้ไปเท้าสัตว์กับปลอมตัวเป็นพรามมาขอมัสสีซึ่งเป็นพระชายาเราก็ให้ไปอีก ซึ่งเรื่องนี้ในที่สุดก็ได้กลับอยู่ร่วมกันทั้งหมดทุกพระองค์ 10. สิบสัสปันธิตะจริยาประวัติครั้งเป็นสัสะบันดิตในสมัยเมื่อเราเป็นกระต่ายกินหญ้ากินใบไม้และผลไม้เป็นอาหารเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นมีสหายอีกสามอยู่ร่วมกันคือลิงสุนักจิ้งจอกและนาค นาคในที่นี้สะกดด้วยกอไก่นะครับเราสั่งสอนสหายให้เว้นความชั่วประพฤติความดีเท้าสักกะปลอมเป็นพรามมาขออาหารเพื่อจะทดลองเราเราจึงขอให้ก่อไฟขึ้นแล้วกระโดดเข้าไปในไฟเพื่อให้เป็นอาหารของพรามนั้นเมื่อกระโดดเข้ากองไฟกลับเย็นสบายไม่รู้สึกร้อนเลยในที่สุดเท้าสักกะก็แสดงตน และให้ความสุขแก่สัตว์ทั้งสี่นั้นด้วยเทวานุภาพ